หงที่พระไปพิจารณาหารก็ตั้งใจฟังเดอ้อเมื่อนี้ก็เป็นบุญเดือนสิบนะเรามาพร้อมใจกันนะทำตามประเพณนะีก็เป็นการมาทำบุญนะวันนี้ก็ถือว่ามาทำบุญเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษของเราปนะู่ย่าตายายนะพ่อแมนะ่ที่ละโลงนี้ไปนะเราผู้ยังอยู่นะก็มีความระลึกนึกถึง ก็พอถึงเดือนเ0ร็จนี่ก็มาทำบุญโดยเพราะาผู้ที่ได้ร่วงรับไปแต่ว่าไม่ได้ไปไหนนะเป็นเปรตเป็นเปรตอยู่นะเปรตนี้ก็คือนะผู้ที่ยังหิวโหย ที่ไปดีไปสุคติก็มีนะไปเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์แต่ว่าที่ตกหล่นนะเป็นเปรดนะก็มาขอส่วนบุญนะคนไทยเราก็เชื่อนะวันเดินสิบนี่แหละนะที่จะมาขอส่วนบุญพวกเราซึ่งเป็นลูกหลานคนที่อยู่หลังนะก็มีความระลึกนึกถึงสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการทําบุญอุทิศให้การทําบุญนะอุทิศให้ก็โดยการมาถวายให้กับพระมาถวายอาหารเพื่อ เป็นเครื่องลอเลี้ยงชีวิตนะของพิสูสงเมื่อถวายแล้วมันก็เป็นบุญบุญนั้นเนี่ยนะก็สามารถที่อุทิศไปให้กับผู้ที่ร่วงลับไปได้อันนี้ก็เป็นประเพณีของอคนไทยนะไม่ว่าทุกภาคทางภาคใต้นี่ก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันชิงเปรดนะชิงเปรดอาหารที่มาถวายนะส่วนหนึ่งก็มอบให้ นะกับคนที่มาร่วมทำบุญส่วนบุญที่เกิดจากการมาถวายก็ผุที่ให้กับผู้ที่ลงรับไปคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างทรัพย์สมบัติมีมากแค่ไหนนะก็ต้องทิ้งไว้มีแต่จะมีแต่บุญเท่านั้นแหละนะที่จะช่วยเหลือเกือเ้อเฟื้อติดตามตัวไปใครที่ทำบุญธาตุนี้นะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยบุญก็หนุนส่งนะให้ได้ไปเสวยสุขในภพหน้าแต่ว่าถ้า ไม่ได้ทําบุญหรือว่าทําบ้างนะแต่ว่าทําชั่วมากกว่าบาปก็จะติดตามไปให้ไปเกิดในทุกตินะเรียกว่านรกบ้างนะอสูรกายบ้างเปรตบ้างเนะี่ยคราวนี้จะได้พ้นจากความทุกข์ยากหิวโหยอย่างเปรตเนี่ยเป็นพว้ที่หิวโหยมากนะทําอย่างไรนะก็ต้องอาศัยบุญนะของผู้ที่ยังอยู่นี่แหละนะทําละอุทิศไปให้อันนี้ก็เป็นหน้าที่นะของ พวกเราซึ่งยังอยู่ใครตายไปแล้วนี่เราก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะไปอยู่ในสวรรค์หรือว่าอยู่ในนรกหรือว่าเป็นเปรตสิ่งที่เราควรทําก็คือนะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็อุทิศไปให้จากขณะเดียวกัน ก, ก็ก็ต้องระวังนะว่าเมื่อไรเมื่อเราตายไปแล้วนี่จะไม่ไปเป็นเปรตนะจะไม่ไปลงนรกนะอ ย, อย่าเพียงแต่ทําบุญอุทิศไปให้เปรตที่เป็นบาปบาปุษเท่านั้นนะนะเราก็ต้องดูแล ตรวจตาตัวเราเองด้วยนะว่าได้ทําบุญมามากพอหรือยังเพราะว่าถ้าทําบุญน้อยทําบาปมากนี่ตายไปแล้วนี่ก็คงจะไปไม่ดีะนะไปนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายหรือเป็นเดรัจฉานบ้างนี่เรียกว่าทุกขติภูมิฉะันต้องถามตัว เ, เองว่าเราได้ทําความดีมามากน้อยแค่ไหนนะเกิดมาทั้งทีนี่ก็ต้องทําความดีให้มากๆนะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนกับการเรียนหนังสือนะ เวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเรียนต้องมีวิชาความรู้ติดตัวถ้าไม่ขยันเรียนพอถึงเวลาสอบก็สอบตกนะสอบตกนี่ก็ซ้ำชั้นคนเราเกิดมานี่มันก็มีสอบเหมือนกันนะเป็นการสอบไล่ตอนตายนี่แหละนะเรียกว่าสอบไล่ตายไปแล้วเนี่ยนะถ้าชีวิตนี้ทําความดีเอาไว้นะก็ว่าได้ไปสุขติสอบผ่านสอบผ่านก็คือได้ไปสุขติภูมินะ ก็คือได้ไปเกิดในสวรรค์หรือว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะถ้าสอบตกนะก็ลงนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานเราเนี่ยขนาดเนี้ยเหมือนกับคนที่กําลังเรียนหนังสือนะนักเรียนเขาก็เรียนเอาวิชาความรู้ส่วนพวกเรานะทุกลมหายใจก็ต้องพยายามทําบุญทําความดีนะนักเรียนนี่เขาเรียนเอาคะแนนนะแต่พวกเราทําความดีเพื่อสร้างสมบุญกุศลนะ ถ้าเกิดมาไม่ว่าจะอายุสั้นหรืออายุยืนแต่ว่าไม่สะสมคุณงามความดีไว้เลยนะเวลาสอบนะเวลาสอบสอบครั้งสุดท้ายมันก็สอบตกนะคือไปนรกตอนตายนี่แหละนัเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าสอบไล่หลายคนก็อยู่แบบนักเรียนที่ขี้เกียจนะไม่ตั้งใจเรียนนักเรียนที่เกลียยขี้เกียจคือไม่ตั้งใจเรียนส่วนคนที่เกลี้ยขี้เกียจคือไม่ตั้งใจทําความดี นะศีลก็ไม่สนนะทำแต่บาปนะไม่รู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟืๆๆ้อเกื้อกูลผู้อื่นแถมยังเอาเปรียบเอารักขโมยนะคนที่ชอบรักขโมยชอบชอบโกงของส่วนรวมนะก็ทำลายเอามาเป็นของส่วนตัวเช่นโกงเงินของหลวงหรือว่าทรัพยากรของส่วนรวมเช่นป่าไม้นะแทนที่จะรักษาก็ไปตัดเอามาใช้ส่วนตัวอันนี้เรียกว่าเอาเปรียบ น, นะทำด้วยความโลภ ตายไปแล้วนี่ก็ทําไม่ตรงนั้ร ก, ก็เป็นเปรตนะเปรตนี่ก็คือเกิดจากการที่ได้ทำความชั่วไว้โดยเพราะการเอาเปรียบนะความโลภได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากได้ไอ้จิตที่มันคิดอยากได้จนกระทั่งไปทำชั่วเนี่ยนะนก็กลายเป็นบาปสะสมามากๆเข้า นอกจากจะทำให้ตายไม่สงบนะเพราะ่หวงทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยตายไปแล้วนี่ก็ยังเป็นเปรตนะหิวโหยได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มถ้าไม่อยากลงเอยแบบนั้นนะก็ต้องพยายามทำความดีนะรักษาศีลศีลห้านี่เป็นอย่างน้อยนะแล้วก็รู้จักเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นรู้สักหววแหนรักษาของที่เป็นส่วนรวม นะโดยเพราะถ้าเป็นของที่เป็นของวัดวาอารามิปของศาสนานี่ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเอาไปนี่นะมันก็กลายเป็นเปรตไปได้ง่ายๆเหมือนกันคนสมัยก่อนนี่แม้กระทั่งดินหรือทรายที่ติดเท้าติดรองเท้าไปนี่เขายังหาทางเอามาคืนเลยนะเช่นการมีประเพณีก่อกองทรายเอาทรายมาคืนวัดนะเพราะว่าไอ้ทรายหรือดินที่มันติดเท้าไปนี่นะ ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนนะคนสมัยก่อนก็ถือมาแม้กระทั่งทรายติดเท้าไปเขาก็ต้องเอามาคืนนะก็เลยเกิดประเพณีนะก่อกองทรายขึ้นมาแต่คนเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีไม่รู้จักบุญบาปนะของวัดของวาก็เอาไปนะจานชามก็เอาไปนะหรือว่าไม้ในวัดก็ตัดเอาไปใช้ส่วนตัวเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ากําลังก่อบาปเอาไว้นะตายไปก็นะับเพลศานะสถานเดียว ฉันเราเนะ่ถ้าหากว่าเรามาทําบุญอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้น้อมใจระลึกนะว่าเออชาตินี้เราต้องทําความดีมากๆนะจะได้ไม่ต้องมาเป็นเปรตมาคอยมาแย่งชิงอาหารนะอย่างที่มาแย่งชิงกันนะในวันประเพณีต่างๆทําความดีนะก็พยายามทําความดีจนถึงขั้นว่าไม่เพียงแต่ว่ารอดพ้นจากการเป็นเปรตนะไม่เพียงแต่ว่าอ่า ไปดีเท่านั้นนะแต่ก็ต้องไปถึงขั้นว่าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยนะทําความดีแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนาะมันก็ยังไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าพอหมดบุญเทวดานี่ก็ต้องตกลงมานะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดในนรกบ้างมีนะกพรูเจ้า ต, าตัดเอาไว้นะพวกพรหมเนี่ยพรหมที่มีอายุยืนนะเป็นหลายร้อยกับนะพอหมดบุญแล้วนี่ กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานก็มีตกนรกก็มีนะอันนี้เรียกว่าเทวดาตกสวรรค์ให้ตายดที่ยังเบียนไหา้ตายเกิดอยู่นะมันก็ไม่ปลอดภัยก็ต้องตั้งจิตถึงขั้นว่านี้ให้พ้นจากการเกิดนะเก <L un ly> ิดเป็นเทวดาก็ไม่เอาเกิดเป็นพรหมก็ไม่เอาเกิดเป็นเศรษฐีเป็นจักรพรรดิก็ไม่เอานะแต่มุ่งไปสู่การไม่เกิดเลยก็คือการเข้าถึงนิพพาน ผลจากวัตาสงสารในสายวิสการนี่มีมีขาบาดีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นผู้ที่ฝ่าธรรมมากนะชื่อว่าจิตตาาบาดีเป็นคนที่ทําความดีทานศีลภาวนานะไม่ขาดเมื่อจะตายเนี่ยนะก็มีเทวดานะมามาบอกว่าเนี่ยท่านทําความดีมากเนี่ยก็ขออน้อมจิตนะไปเป็นพระจกักรพรรดินะเพราะว่าท่านเนี่ยบุญที่ท่านทำเนี่ยนะสามารถทําให้ท่านเป็นจกักรพรรดิได้ จิตตะฆาบปฏิเสธนะบอกว่าเป็นฆาเป็นจักระพัดนะมันก็ต้องกลับมาเป็นจักระพัดมันก็ไม่เที่ยงนะเป็นแล้วก็ยังต้องตายต้องเจอท่านมุงนะท่านมุ่งอะไรท่านมุงนิพพานเลยนะมุงนิพพานก็คือไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกมาเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นจักระพัดเกิดเป็นเศรษฐีมก็ทุกทั้งนั้นนะนี่พวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเราเนี่ก็ต้องรู้นะว่า อะไรที่เป็นของดีนะอะไรที่เป็นของประเสริฐประเสริฐสุดนะไม่ใช่คิดแต่ว่าอยากจะรวยอยากจะมั่งมีอยากจะเป็นเจ้าคนนายคนนะอันนี้เรียกว่ายังไม่รู้จักนะ สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดนะสำหรับการเกิดเป็นมนุษย์นะสมัยที่หลวงปูด่ดูยังมีชีวิตอยู่นะหลวงปู่ดูพราะปัญโยในยวัดสกแกยุทธยามีพระเนี่ยบวชแล้วจะสึกก่อนจะสึกก็มาขอพรขอน้ำมนต์จากหลวงปู่ดูพ่าหลวงปู่ดูนี่ท่านเป็นเกจิอาจารย์มีคนนับถือนะพอๆกับหลวงพ่อลคูณสมัยเนี้นะท่านก็มาขอน้ำมนต์ขอพรอจากหลวงปูดงป่ดูหลวงปู่ท่านก็ให้นะลองที่หลวงปู่พรมนต์นเนี่ยพาลูกนั้นก็อธิษฐาน ใ, นในใจนะ ขอให้มั่งมีมหาศาลนะขอให้ลาบพุนทวีนะมีกินมีใช้ไม่ขาดนะจะได้แบ่งบุญมาถวายวัดบ้างนึงในใจนะหลวงปู่ท่านก็น้ำมนไปพร้อมเสร็จท่านก็ขึ้นมาว่าที่ท่านคิดนะนะมันยังต่ำอยู่นะทำไมไม่คิดได้สูงกว่านี้นะถ้าคิดได้สูงกว่านี้นี่ไอ้ที่คิดมันก็จะมาเองนะหลวงปู่ดูนี่ท่านรู้นะพราวรุ่นั้นประหลาดใจมากว่าคิดในใจทำไมหลวงปู่ดูรู้นะ แล้วก็ถานอย่างเตือนได้ ว, ว่าที่คิดนี่มันต่ําไปนะคิดว่าขอให้รวยขอให้มั่งมีนี่มันยังต่ําไปนะถ้าคิดได้สูงคือการคิดไปถึงน้อยขอนิพพานไปเลยอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยกล่าวคําสังฆทานเนี่ยนะก็กล่าวคำํำถึงว่าขอให้เป็นเป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานนะปู่ย่าตาหยางเราสมัยก่อนนี่เวลาทำบุญเนี่ยก็อธิษฐานสั้นๆนะนิพพานนัปจโยโหตุเป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานนะนจจนนนะอันนี้เรียกว่าคิดสูง นะเพราะว่าคิดแบบนี้แหละถ้าได้เป็นจริงนะมันก็ไม่ทุกนะแต่เธอยังอยากรวยอยากมั่งมีนี่มันยังทุกนะคนมั่งมีที่เป็นโรคความดันเป็นโรคประสาทนี่ก็เยอะเป็นโรคหัวใจก็มากนะค่าตัวตายก็มีไม่น้อยบางทีรวยมากๆนี่ลูกลูกก็ที่น้องก็ทะเลาะ ก, กันเองฆ่ากันเองก็มีนะมันไม่ได้ปอดค้นจากความทุกเลย แต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะนะไปให้เหนือนะเหนือสุขเหนือทุกข์อย่างโลกโลกเนะี่ยก็คือเข้าถึงมนิพคา น, นั่นแหละอันนั้นแหละจึงจะปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าต้องกลับมาเกิดเป็นเปรตอีกนะไม่ต้องกลั ว, วต้องกลับมาลงนรกอีกนะแต่ว่าจะเข้าถึงนิพพานแล้วก็ต้องทําความดีนะทําความดีอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติทำจเจริญภาวนานะให้เห็นความจริงนะว่า ไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้ ย, ยั่งยืนเลยทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่ใช่แค่ชีตนี้เราไม่เที่ยงนะไอความสุขที่เราหวังก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางได้ทำความดีแต่ทำความดีด้วยใจที่ปล่อยวางนะไม่มีความยึดถือในตัวตนมันก็ทำให้ได้เข้าใกล้พนานิชพานมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะก็ แรียว่าบรรลุความสําเร็จนะตามที่ตั้งใจไว้ตอนนั้นแหละจึงโโที่เราปลอดภัยอย่างแท้จริง น, นะคือว่าไม่ต้องกลับมาเกิดในภพภูมิที่ตามอีกต่อไปไม่ต้องมาเจอทุกอีกต่อไปอาแล้วก็นุมโมทนานะอ่าญาติโยมพ่อแม่ออกที่มาร่วมกันทําบุญในวันนี้นะก็ขอให้ได้ได้รับมรสกแห่งความดีหรือบุญกุศลที่เราได้บําเพ็ญนะก็ขออ้างบุณกุศลภาษีรัตนาตรายัยอำนวยอุปผลให้ทุกท่านทุกคน ได้เจริญด้วยอายุวันนะสุขาภละนะเพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทำความดีให้ถึงพร้อมโดยทานศีลภาวนามีปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์อุปสรรคทั้งปวงเข้าถึงเข้าถึงความสุขเสมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอาน